เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีพรายทำลายชีวิตเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งในทางภาคใต้ตอนนั้นผมอายุ21ปีผมหนีออกจากบ้านกับความรู้แค่มสามหนีไปทำงานเองด้วยเหตุผลส่วนตัวเมื่อก่อนนั้น บ้านผมอยู่ค่อนข้างห่างไกลความเจริญผมเลยหนีเข้ามารับจ้างอยู่ในอำเภอเมืองทํำงานทุกอย่างที่ได้เงินพอประทังชีวิตไปเรื่อยๆผมเก็บขวดไปขายบวกกับทำงานเป็นเด็กปั๊มแห่งหนึ่งทำอยู่ประมาณสามปีก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วก็คิดว่าอยากจะมีที่อยู่เป็นของตัวเองบ้างซึ่งตอนนั้น ผมอาศัยอยู่ที่พักคนงานของเท่าแก่ที่ปัม๊มซึ่งเขาให้ผมอยู่ฟรีตอนนั้นไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรด้วยความที่ผมมีความรู้น้อยจึงไปปรึกษาเท่าแก่ผมก็บอกเขาไปว่าผมเก็บเงินได้สองหมื่นแล้วเท่าแก่ค่อนข้างมีฐานะเขาเอ็นดูเพราะผมเป็นคนซื่อๆขยันทำงานเท่าแก่เลยบอกว่า กูมีแพรเหล็กเก่าๆอยู่หลังหนึ่งจะเอาไหมถ้าเอาไปแล้วก็เอาไปทามาหากินได้เลยมาเอาน้ำมันจากปั๊มกูไปขายแล้วค่อยหักเอาก็ได้ซึ่งแพรเหล็กที่ว่านี้มันเหมือนเป็นแท่งเก็บน้ำมันเคลื่อนที่มีลักษณะเหมือนแพร่ลอยอยู่ในน้ำซึ่งเท่าแก่ให้แพรผมมาฟรีๆตอนนั้นผมดีใจมากแพรที่ว่านี้ก็มีขนาดไม่ใหญ่มาก ขนาดประมาณ40ตารางเมตรผมใช้เป็นทางบ้านเป็นทางที่ทํางานเพราะด้านหน้าแพมีหัวใจน้ํามันอยู่หัวหนึ่งไว้ใช้ขายน้ํามันให้กับเรือหางยาวกับเรือประมงในแม่น้ํากลายเป็นว่าผมจะอาศัยอยู่ริมน้ําตลอดเวลาก็เงินดีพอสมควรจนผมก็พอจะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วก็ไปเจอกับเมียผม ซึ่งเขาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อคบกันได้สักพักก็เลยชวนกันมาอยู่กินด้วยกันจนมีลูกหนึ่งคนตอนนั้นก็เลี้ยงลูกแล้วก็ทำงานทุกอย่างอยู่บนแผนนั้นหมดเลยแต่ผมยอมรับว่าผมเริ่มมีนิสัยเจ้าชู้คือจะออกไปเที่ยวคาเฟ่เกือบทุกคืนบ่อยครั้งที่ลูกเมียต้องอยู่กันตามลาพัง จนมีวันหนึ่งผมก็ออกไปเที่ยวตามประษาของผมตอนนั้นลูกชายของผมอายุได้ห้าขวบเด็กมันก็เอาสวิงมาช้อนปลาเล่นตามปกติของมันแต่พลาดตกน้ำซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณสามทุ่มซึ่งจะมีแค่ไฟจากหน้าแพแค่ดวงเดียวเมียผมได้ยินเสียงก็รีบกระโดดลงไปช่วยเมียผมเล่า ว, ว่าตอนลงไปช่วย เห็นเหมือนเส้นผมดำๆดึงขาลูกเอาไว้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นสาหรายอะไรสักอย่างก็ได้เพราะเวลากลางคืนมันจะมืดจนมองแทบไม่เห็นอะไรเลยพยายามดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่หลุดต้องขึ้นมาหายใจแล้วดำลงไปดึงใหม่จนพาขึ้นมาได้แล้วเมียผมก็อุ้มพาดบาให้น้าออกผมกลับมาบ้านแบบเมา มาเจอเมียร้องไห้ที่ผมไม่อยู่บ้านเพราะเกือบจะเสียลูกไปแล้วตอนนั้นผมรู้สึกผิดมากๆทั้งกลัวทั้งโล่งใจที่ยังน้อยลูกก็ยังไม่เป็นอะไรไปผมเลยคิดว่าสภาพแวดล้อมแบบนี้คงไม่เหมาะที่จะเลี้ยงลูกแต่ก็ยังไม่รวยถึงขั้นที่จะไปซื้อที่บนบกอยู่ดีผมก็เลยพยายามสอนลูกว่ายน้ำแทน จนลูกพอว่ายน้ำได้บ้างแล้วเวลาผ่านไปไม่นานผมก็กลับไปเที่ยวเสเพลไปวันๆเหมือนเดิมอีกเช่นเคยจนกระทั่งวันหนึ่งผมกลับบ้านประมาณเที่ยงคืนซึ่งผมไม่ได้เมามากเพราะผมเป็นคนที่ไม่เคยเมาขาดสติจนต้องให้ใครพากลับบ้านในวันนั้นขณะที่กำลังเดินไปที่แพร ผมก็เห็นผ้าสีขาวคล้ายชุดผู้หญิงลอยอยู่กลางแม่น้ำห่างจากแพรที่ผมอยู่ไม่ไกลมากผมพยายามเพ่งมองให้แน่ว่ามันคืออะไรเพราะค่อนข้างมืดแต่สีขาวนั้นมันทําให้ยิ่งดูชัดเจนในความมืดผมสาบานได้ว่าผมเห็นมันเคลื่อนที่ช้าๆไปที่แพตอนนั้นมีแต่ความสงสัยไม่ได้มีความกลัวใดๆเลย ผมเดินไปเรื่อยๆจนใกล้จะถึงแพรตาของผมก็จ้องมองที่ผ้าสีขาวนั้นอยู่ตลอดเวลาผมเข้าใกล้แพเท่าไรก็ดูเหมือนมันจะเคลื่อนที่เข้าไปใกล้แพรมากขึ้นเท่านั้นแล้วอยู่ๆผ้าขาวนั้นก็ลอยเข้ามาใส่หน้าผมอย่างเร็วแวบสุดท้ายก่อนที่ผมจะหลับตาเพราะตกใจสาบานได้ว่าผมเห็นเป็นผู้หญิง ผมดำยาวมากๆใส่ชุดสีขาวแล้วก็หายไปผมยังจำได้แม่นไม่เคยลืมมาจนถึงทุกวันนี้แต่ก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ลูกเมียฟังเพราะไม่อยากให้คิดมากกันไปเปล่าๆแต่หลังจากนั้นอีกไม่นานก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอีกตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นผมรู้สึกได้ว่าเมียผมเปลี่ยนไปเธอชอบมีพฤติกรรมแปลกๆ อย่างเช่นชอบนั่งแต่งหน้าทาปากรักสวยรักงามผิดปกติตั้งแต่อยู่กินกันมาเมียผมไม่ค่อยสนใจอะไรพวกนี้เลยบางคืนก็ชอบลุกขึ้นมานั่งทำนู่นทำนี่จุกจิกนั่งหวีผมแล้วก็ดูเหม่อลอยถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบลูกก็ไม่ค่อยสนใจผมก็พยายามคิดไปว่าเธออาจจะเครียด ที่ผมออกไปเที่ยวบ่อยๆไม่ค่อยได้มาช่วยเลี้ยงลูกจนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมกำลังทำงานอยู่เหนื่อยๆลูกผมมันก็ร้องงองแงหิวข้าวผมเลยตะโกนบอกเมียไปว่าเห็นไหมมันหิวข้าวเนี่ยพามันไปกินก่อนสิเมียผมหันมามองแบบตาขวางมากๆแต่ไม่ได้พูดอะไรสักคำแล้วก็ไม่ยอมพาลูกไปกินข้าวด้วยผมเลยโมโห เลยด่าไปเต็มๆแล้วอยู่ดีๆเมียผมก็ลุกขึ้นวิ่งไปตบลูกชายอย่างแรงตบแบบหน้าหันผมตกใจจนอึ้งเมียผมไม่เคยทำแบบนี้กับลูกมาก่อนเธอเป็นแบบนี้อยู่นานมากคือแทบจะคุยกันไม่รู้เรื่องพูดก็น้อยไม่ยอมสื่อสารกับผมวันๆเอาแต่นั่งเมาลอยส่องกระจกลูบผมตัวเอง ผมลืมบอกไปว่าช่วงเวลาที่เธอเป็นแบบนี้ปกติเมียผมเป็นคนรูปร่างเจ้าเนื้อนิดหนึ่งแต่ตอนนี้เธอผอมลงไปเยอะมากเพราะข้าวปลาไม่ค่อยจะยอมกินแล้วบางคืนผมตื่นมาก็เห็นเมียนั่งนิ่งๆอยู่ที่ริมเตียงผมกลัวแทบจะฉี่ราดเพราะเหมือนเธอจะกลายเป็นอีกคนไปแล้ว ผมเลยไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวแบบเมื่อก่อนเพราะไม่อยากทิ้งลูกเอาไว้เพียงลาพังใจหนึ่งผมก็คิดจริงๆว่าเธอถูกผีสิงหรือเปล่าหรือเธอแค่เก็บกฎที่เคยปล่อยให้เธออยู่บ้านเพียงคนเดียวแล้วผมก็ออกไปเที่ยวเสเพลมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้มั่นใจว่าเธอน่าจะถูกผีสิงจริงๆ คือวันหนึ่งผมเครียดเรื่องราคาน้ำมันอยู่แล้วเอาจริงๆผมก็เริ่มจะชินที่เห็นเมียเป็นแบบนี้ซึ่งเธอก็เป็นมาอยู่เกือบปีแล้ววันนั้นผมไม่รู้นึกยังไงที่พยายามจะทำการบ้านกับเมียคือผมคงเครียดๆ เ, เลยอยากจะระบายก็ขึ้นคร่อมแบบปกติทำได้สักพักเมียผมก็ร้องไห้ แล้วเสียงก็เปลี่ยนไปเลยเหมือนเสียงเด็กแบบร้องไห้แล้วก็พนมมือไหว้ร้องว่าอย่าทำหนูอย่าทำหนูอหนตอนนั้นผมโคตรตกใจหมดอารมณ์ไปเลยสิครับแล้วเธอก็กรี๊ดดังมากผมพยายามเอามือปิดปากไม่ให้เธอกรี๊ดจนเธอเหนื่อยจึงสลบไปเองผมไม่รู้จะทำอย่างไร เลยไปปรึกษาเพื่อนคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขารู้จักแม่เท่าที่น่าจะช่วยอะไรได้ผมเลยพาเมียผมไปเป็นบ้านไม้เล็กๆแม่เท่าเขาก็ถามว่าเมียเป็นอะไรทำไมมันตาขวางแบบนั้นผมก็บอกไปเลยว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะอยู่ดีๆก็เป็นแบบนี้แม่เท่าแกก็ถามว่า ไปทำบุญไหว้พระบ้างหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าผมหนีออกจากบ้านมาตัวเปล่าเลยไม่คิดเรื่องจะทําบุญบูชาพระอะไรเลยอยู่ในหัวแม่เทาแกก็เอาอะไรดําๆสักอย่างที่แกบดไว้เหมือนยามาป้ายปากผมกับเมียแล้วก็เอาน้ํามนต์พรมใส่ผมหันไปมองเมียเขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรหลังจากวันนั้น ผมก็พยายามออกไปทาบุญแล้วดูเหมือนทุกอย่างกาลังจะดีขึ้นแต่เมียของผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ค่อยพูดค่อยจ้าแต่อยู่มาวันหนึ่งพอดีผมพาลูกไปดูเขาแข่งนกกรงหัวจุกในตลาดเมียผมก็อยู่คนเดียวที่บ้านเพราะชวนแล้วเธอก็นั่งเงียบเมื่อเวลาผ่านมาได้ประมาณสองทุ่มกว่าขณะที่กำลังจะเดินกลับแพร ผมเห็นเมียผมถือมีดอิโต้แต่ไกลกำลังเดินมาหาผมใจผมตกไปอยู่ที่ตาตุ่มตอนนั้นผมบอกให้ลูกวิ่งเข้าไปหาเจาร้านขายของชำแถวนั้นแล้วเมียผมก็วิ่งเอาอิโต้มากัดจะฟันผมแน่ๆผมพยายามจับแขนเธอเอาไว้แต่ก็พลาดฟันมาโดนต้นขาของผมตอนนั้นตามเมียผมแทบจะถลนออกมาจากเบา้า แล้วก็พูดแค่ว่าไอ้เฮียไอ้เฮียผมก็นอนล็อกแขนเธอเอาไว้แต่มันก็ไม่ไหวจริงๆครับแรงเยอะมากเลยตัดสินใจปล่อยแล้วก็วิ่งเลยครับไม่รู้จะทำอย่างไรจริงๆแถวนั้นก็ไม่มีคนช่วยผมหันไปดูเมียผมนอนอยู่ที่เดิมไม่ลุกขึ้นมาผมเลยเดินกลับเข้าไปดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเธอนอนนิ่งไปเลย ตอนนั้นผมก็ตกใจมากเพราะคิดว่าผมคงเผลอล็อกคอเธอแรงเกินไปเลยกะจะอุ้มพาไปโรงพยาบาลแต่อุ้มได้เพียงแป๊บเดียวเธอก็รู้สึกตัวขึ้นมาเดินเองเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมเลยพยายามถามว่าเป็นอะไรเจ็บตรงไหนไหมเธอก็ไม่ตอบเหมือนเดิมตั้งแต่วันนั้นผมเลยรู้สึกว่า ไม่ไหวจริงๆแล้วมันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วพอดีผมก็ไม่ค่อยรู้จักพิธีกรรมอะไรเลยหรือแม้แต่พิธีในวัดจึงมีเพื่อนคนหนึ่งเขาพาไปหาร่างทรงเขาบอกว่าเป็นพ่อปู่ฤาษีที่มีคนศรัทธากันเยอะมากผมเลยตกลงจะพาเมียไปเพราะไม่รู้จะให้ทำยังไงเหมือนกันพอพาไปพ่อปู่เขาก็บอกเลยว่า เมียพาผีพรายมาด้วยผมก็ขนลุกสู้เลยบอกให้ปู่เขาช่วยทีแล้วดูเหมือนปู่จะรู้ทุกอย่างว่าผมอาศัยอยู่ริมน้ำการงานเป็นอย่างไรเมียผมเป็นยังไงผมเลยเชื่อสนิทว่าร่างทรงนั้นมีอยู่จริงพอปู่เขาบอกว่าต้องพาไปตรงสถานที่ที่มันอยู่ เพื่อทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กลับไปอยู่ในภพภูมิในสถานที่ของเขาตอนนั้นมีคนแถวแถวนั้นมาดูกันเต็มแล้วพอดีฝนก็ตกลงมาได้ประจวบเหมาะกับเวลาจริงๆพ่อปู่เขาก็ทำพิธีเอาสายศิล์มาพันไปรอบตัวเมียผมแล้วสายศินอีกด้านหนึ่งก็โยงลงไปในน้ำตอนนั้น เมียผมกรีดร้องจนผมสงสารมากพ่อปู่เขาก็ท่องบทสวดจนจบโดยการเอาน้ำมนต์ราดตัวเพื่อเป็นการชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีเมียผมกรีดร้องอยู่นานเกือบยี่สิบนาทีพอโดนน้ำมนต์ก็เหมือนจะหวีดเลือกสุดท้ายจนหมดสติไปเลยพอผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเธอก็ฟื้นขึ้นมาผมรู้สึกได้เลยว่า เขากลับมาเป็นคนเดิมแล้วเมียผมก็เข้ามากอดแล้วร้องไห้พอถามว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเขาแทบจะไม่รู้สึกตัวเลยเหมือนคนไร้วิญญาณอยู่ในผวังแต่ยังไงก็ดีใจแล้วครับที่เขาหายสักทีผมก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติทุกเชา้า เราก็จะไปไหว้พระแม่คงคาที่หน้าแพขอให้ช่วยครุ้มครองเราจนเวลาผ่านไปเกือบสองปีชีวิตก็ดีขึ้นมากๆแล้วเมียผมก็ท้องลูกคนที่สองซึ่งเป็นลูกสาวตอนนั้นเงินเก็บของผมก็เยอะมากขึ้นก็เลยกะว่าจะหาซื้อที่อยู่ให้เป็นหลักแหล่งเลยไปได้ที่ติดริมน้ำใช่ครับ ริมน้ำเหมือนเดิมเพราะผมไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรแล้วเลยซื้อที่แล้วย้ายไปอยู่ทำเป็นท่าแล้วก็ขายน้ำมันให้เรือประมงเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มหัวใจเพราะเริ่มขายน้ำมันให้กับเรือลำใหญ่ๆแล้วทุกอย่างก็กําลังไปได้สวยและผมก็เลิอกออกไปเที่ยวตั้งแต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับเมียผม ไม่นานเมียของผมก็คลอดลูกของผมก็โตขึ้นมาเหมือนเด็กผู้หญิงทั่วๆไปแต่ออกจะนิสัยห้าวๆ ห, หน่อยแล้วก็ชอบทะเลาะกับพี่ชายเป็นประจำเมียผมต้องคอยห้ามคอยตีไม่ให้ทะเลาะกันจนมาวันหนึ่งสองพี่น้องก็เล่นกันอยู่ตามปกติลูกคนโตของผมซึ่งเป็นผู้ชายก็ชวนน้องปีนขึ้นไปเล่นบนแทงน้ํามัน จึงจะมีบันไดลิงแบบเหล็กต่อขึ้นไปสูงประมาณ 3-4 เมตรแล้วลูกชายคนโตก็ตกลงมาจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรงดีที่ไม่ได้กระแทกเข้ากับหัวไม่อย่างนั้นอาจถึงตายไปเลยก็ได้ลูกคนโตก็บอกว่าน้องสาวเป็นคนถีบให้ตกลงมาคือผมก็เข้าใจว่าเด็กมันคงจะเล่นกัน แล้วน้องมันก็จะออกเป็นเด็กห้าวๆเลยแค่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจจนอยู่มาวันหนึ่งที่บ้านผมก็เลี้ยงหนูตะเภาเอาไว้เป็นของลูกชายของผมเองผมเห็นลูกสาวเปิดเข้าไปในกรงหนูตะเภาแล้วกำมือเหมือนค้อนจากนั้นก็ทุบหัวหนูอย่างแรงจนหนูดิน้นตอนนั้นเป็นครั้งแรกก็ไม่เท่าไหรแต่มันยังจะทุบซ้าอีก ผมเรียบวิ่งเข้าไปห้ามแล้วก็ตีสั่งสอนไม่กี่วันต่อมาหนูตัวนั้นก็ตายผมคิดในใจว่าเด็กปกติเขาไม่ทํากันแบบนี้ตอนนั้นผมได้แต่โทษตัวเองว่าผมเลี้ยงลูกผิดเลี้ยงลูกไม่ดีหรืออย่างไรลูกสาวคนเล็กเป็นเด็กที่ค่อนข้างดื้อมากสอนเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยฟังไม่ใช่ซึมเศร้าไม่พูดกับใคร แต่จะเถียงชอดๆเวลาไปโรงเรียนครูประจำชั้นก็มักจะมาฟ้องว่าลูกของผมชอบไปเล่นกับคนอื่นแรงจนแม่นักเรียนคนอื่นต้องมาฟ้องพ่อกลับมาบ้านก็มาทะเลาะกับพี่ชายอีกแล้วบวกกับช่วงนั้นเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้ำมันก็ขายยากขึ้นผมก็เครียดไปหมดทุกอย่างจนมาวันหนึ่ง ผมนั่งตัดบัญชีอยู่ในห้องทำงานตอนดึกเวลาประมาณเที่ยงคืนน่าจะได้ก็เห็นลูกสาวเดินออกมาจากห้องนอนแล้วก็เดินไปที่ห้องน้ำผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรสักพักลูกมันก็แอบย่องออกไปนอกบ้านแต่ผมทำเป็นมองไม่เห็นก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปแล้วก็ได้แต่คิดในใจว่าเด็กห้าขวบ มันทําเรื่องแบบนี้ได้แล้วหรือเลยแอบย่องตามออกไปก็เห็นลูกสาวเป็นนั่งยองๆอยู่ที่ท่าเรือริมน้ำหน้าบ้านผมแอบดูอยู่ห่างๆก็ดูไม่ออกว่ามันทําอะไรก็เลยเดินเข้าไปดูก็เห็นเหมือนหัวคนดำๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำแค่ครึ่งเดียวแล้วก็พุบลงไปในน้ำและนั่น คือสิ่งที่ทำให้ลูกสาวนั่งดูอยู่ผมเสียวสันหลังวาบเลยครับตอนนั้นคือเย็นไปหมดจนทำอะไรไม่ถูกพอตั้งสติดได้ผมก็ดึงแขนลูกให้กลับเข้าบ้านแล้วลูกก็โวยวายไม่ยอมกลับเข้าบ้านบอกไม่ไปไม่ไปคือตอนนั้นผมด่าลูกค่อนข้างแรงขึ้นมึงขึ้นกูด้วยเพราะรู้สึกโมโหจริง แล้วก็บังคับให้ลูกไปอยู่ในห้องแล้วล็อกบ้านไว้อย่างดีผมกลับเข้าห้องนอนกะจะไปปรึกษาเมียตอนนั้นแค่มองหน้ากันก็เหมือนจะรู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อีกแล้วเมียผมร้องไห้ตอมน้าตาแตกกลายเป็นต้องมานั่งปลอบเมียสรุปคืนนั้นนอนไม่หลับกันทางคู่พอรุ่งเช้าทรงเด็กไปโรงเรียนเสร็จ ผมรีบบึงไปหาพ่อปู่ฤาษีเขาก็แนะนำผมว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวลูกนั่นแหละพ่อปู่เขาก็รู้ว่าเก๋มีนิสัยก้าวร้าวหัวรุนแรงแต่ไม่ใช่ผีเข้าพ่อปู่ก็เตือนว่าอย่ามัวแต่ทำงานให้ดูลูกบ้างวันวันทำอะไรประครบประงมมันหน่อยผมเลยกลับทำตามที่พ่อปู่บอก คอยพยายามตามดูตลอดจนวันหนึ่งช่วงเวลาประมาณตีสองผมลุกจากเตียงมาเข้าห้องน้ำก็ได้ยินเสียงลูกสาวมันคุยอะไรงึม ง, งิมงๆอยู่ในห้องผมเลยเอาหูไปแน่ฟังดูก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้พูดอะไรอยู่คนเดียวผมเลยไขยห้องแล้วเปิดเข้าไปเลยครับก็เห็นลูกยืนสองหน้าต่างอยู่ ผมโมโหใส่เลยตอนนั้นเพราะอยากรู้ว่ามันทำอะไรอยู่ถามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตอบเลยเอาไม้เรียวฟาดในใจกดสงสารลูกจนผมร้องไห้แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจนลูกยอมบอกว่ามันเห็นเขามานานแล้วเขาเป็นเพื่อนมันเขาช่วยมันผมก็ถามว่าใครพร้อมกับฟาดมันจนเลือดออก แต่ในใจผมก็รู้เลยว่าคงจะเป็นผีพรายอีกแล้วคืนนั้นผมเข้าใจคำว่าหัวอกพ่อเวลาที่ลูกเจ็บมันจะเจ็บขนาดไหนคือคิดว่าจะต้องทำอย่างไรกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะถึงผีจะเข้ามาไม่ได้ไม่ได้สิงใครแต่ตอนนั้นลูกมันก็คงเด็กเกินไปที่จะแยกแยะว่าอะไรเป็นอะไร หลังจากนั้นไม่นานผมกับเมียก็พยายามดูแลลูกกันอย่างใกล้ชิดไม่ห่วงแต่งานเหมือนแต่ก่อนแต่เคราะห์ซ้กำกรรมซัดวันหนึ่งที่ท่าเรือหน้าบ้านผมกำลังนั่งทำงานอยู่เรือประมงที่มาซื้อน้มันกำลังเข้ามาจอดก็โยนเชือกให้ไปคล้องกับหลักไว้เพื่อจอดเรือแล้วพอดีกับลูกทั้งสองคนของผมมันก็เล่นกันอยู่แถวนั้นพอดี เชือกของเรือนั้นยาวมากลูกน้องของเรือก็จะดึงเชือกเพื่อให้เรือนั้นแนบชิดกับท่าแต่เชือกก็ดันไปเกี่ยวกับขาของลูกสาวลากลูกสาวตกลงไปในน้ำตอนนั้นผมตกใจมากรีบกระโดดลงไปช่วยลูกก่อนแล้วน้ำก็กำลังสูงอยู่ด้วยลูกน้องเรือที่เป็นพ่อม่สองสามคนก็โดดลงมาช่วยเพราะผม พยายามเท่าไรก็หาลูกไม่เจอผ่านไปประมาณสนาทีความรู้สึกผมมันเหมือนสามชั่วโมงช่วยกันหาอยู่จนประมาณหนาทีตอนนั้นผมคิดว่าลูกผมคงจะไม่รอดแน่ๆน้ำตาของผมมันไหลออกมาแบบหยุดไม่ได้จนสุดท้ายลูกน้องพ่อม่คนหนึ่งที่ดำลงไปนานกว่าคนอื่นก็เจอลูกของผม มันบอกว่าไม่รู้ติดอะไรดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ยอมหลุดผมสรุปไปในใจเรียบร้อยแล้วว่าผีพรายอีกแล้วใช่ไหมพอพาลูกสาวขึ้นมาได้ก็พยายามช่วยให้ฟื้นทำทุกอย่างแล้วยังไงก็ยังไม่ยอมฟื้นแต่ก็ยังหายใจอยู่เลยรีบพาไปโรงพยาบาลหมอออกมาบอกว่าลูกผม สมองขาดออกซิเจนนานเกินไปเด็กอาจจะกลายสภาพเป็นเจ้าหญิงนิทราลูกสาวผมเป็นเจ้าหญิงนิทราต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่ได้ไม่นานก็ต้องออกมาเพราะเราสูขารักษากันไม่ไหวซึ่งเป็นช่วงที่ครอบครัวผมมีฐานะการเงินค่อนข้างตกต่ำที่สุดเลยต้องพามาอยู่บ้านเมียของผม คอยดูแลทุกอย่างต้องเจาะช่องที่ท้องแล้วให้อาหารทางสายคอยดูดเสมหะในคอช่วงแรกๆ ก, กอดคอกันร้องไห้ทุกคืนผมก็ต้องทำงานอยู่คนเดียวตอนนั้นไม่มีกระจิตรใจทำอะไรสักอย่างจนสุดท้ายเงินที่ได้มาก็ต้องเอาไปรักษาลูกจนหมดบวกกับช่วงนั้น ราคาต้นทุนน้ำมันก็สูงเลยต้องตัดสินใจเลิกขายน้ำมันผมกับเมียแถบคิดอยากจะจบชีวิตทั้งครอบครัวไปตั้งแต่ตอนนั้นแต่พอไม่เห็นลูกชายอีกคนที่ยังสู้ออกไปช่วยทำงานแกะกุ้งแลกเงินแถวแพปลาข้างๆบ้านทำให้ยังสู้ต่อไปได้สุดท้ายผมปรึกษาเพื่อน เขาก็แนะนำให้มาทำเรือประมงแต่ก็ต้องใช้เงินทุนเยอะมากๆผมรู้ตัวเองว่าทำงานนี้ได้เพราะระหว่างที่ขายน้ำมันผมก็เก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับการทำเรือประมงจากลูกค้าตอนนั้นไม่รู้จะพึ่งใครเลยกลับไปหาเท่าแกปั๊มเพื่อขอกู้เงินซึ่งเท่าแกแกก็ใจดีมากๆชีวิตนี้ ผมไม่รู้จะขอบคุณแกยังไงพอได้เงินมาก็อเอาไปซื้อเรือมือสองมาโบรระใหม่หมดทำอยู่ประมาณหกเดือนก็พร้อมจะออกทะเลช่วงแรกก็พอได้แต่ไม่ถึงกับดีมากผมเป็นไตเรือขับออกไปหาปลาเองเวลาออกเรือไปทีหนึ่งก็ประมาณห้าถึงหกวันช่วงนั้นก็เลยต้องฝากให้ลูกชาย คอยดูแลแม่กับน้องส่วนผมต้องออกเรือแทบจะไม่ได้หยุดแต่ก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปจนวันหนึ่งในกลางทะเลผมก็ทิ้งสมอจอดเรือไว้ตอนประมาณตีสองมีลูกน้องเรือคนหนึ่งที่เป็นพ่มามันก็โวยวายมาจากห้องเครื่องใต้ท้องเรือลูกน้องที่เหลือเลยลงไปดู คือสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะส่วนใหญ่ใช้วิธีการชี้นิ้วบอกเอาแต่คราวนี้มันโวยวายเป็นภาษาพมา่าแล้วก็ร้องไห้ไม่ยอมออกมาจากห้องเครื่องจนผมต้องลงไปดูเองว่าจะเป็นอาการเมาเรือก็คงไม่ใช่เพราะก็เห็นมันออกเรือด้วยกันมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะมีอาการแบบนี้แล้วอยู่ดีๆมันก็เอาหัวโคกกราเรือซึ่งเป็นไม้ โขกแรงมากแบบไม่ยั้งกำลังเลยเลือดพุ่งกระเซ็นออกมาเต็มฝาเรือลูกน้องที่เหลือช่วยกันหามมันขึ้นมาด้านบนมันก็ร้องไม่ยอมไปไหนแต่ตอนนั้นผมก็คิดในใจอยู่แล้วว่าเป็นพวกผีวิญญาณอีกแล้วเลยเอาพระของผมไปห้อยคอมันมันก็ไม่ได้กรีดเหมือนผีเข้าอะไรแต่ก็ค่อยๆเย็นลง ผมก็ให้พระมันยืมใส่ไปก่อนแล้วก็ช่วยกันทำแผลเพราะเลือดไหลแทบไม่หยุดอุปกรณ์ยารักษาอะไรก็ไม่ค่อยพร้อมเลยตัดสินใจกันว่าคงต้องกลับเข้าฝั่งตอนนั้นอยู่กันกลางอ่าวไทยคงอีกคืนหนึ่งกว่าจะถึงท่าเรือพอคืนที่สองลูกน้องพมาอาการก็แย่ลงเพราะเสียเลือดมาก พอช่วงกลางดึกมันก็เพ้อเป็นภาษาพมา่าซึ่งก็ไม่มีใครเข้าใจมันสักคนบางทีก็เห็นมันร้องลูกน้องที่เหลือรวมทั้งผมเองก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนจนเวลาตีสามครึง่งผมเห็นฟองอากาศขึ้นอยู่รอบรอบเรือตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจอะไรสักพักเริ่มรู้สึกได้ว่า ฟองอากาศนั้นมันตามมาเรื่อยๆจนมีลูกน้องคนหนึ่งมันตะโกนเฮ้ยขึ้นมาเหมือนตกใจอะไรสักอย่างแล้วตกลงไปในน้ำลูกน้องคนที่เหลือก็ไม่ลงไปช่วยคิดว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองเพราะพวกนี้ว่ายน้ำแข็งมากๆหลายนาทีผ่านไปมันก็ไม่ขึ้นมาเลยพากันโดดลงไปช่วย ตอนผมดำลงไปก็เห็นมันโดนลากอยู่กับหางเสือใต้ท้องเรือขาถูกพันไปด้วยเส้นผมที่ยาวมากๆทุกคนบนเรือยืนยันได้ว่ามันคือเส้นผมไม่ใช่สารายเพราะผมไดเอามันขึ้นมาดูบนเรือให้ชัดด้วยแต่ละคนก็ขนลุกจนอยากจะกลับบ้านเดียวนั้นส่วนลูกน้องที่ตกลงไปมันก็รอดมาแบบวุดนวิต แล้วมันก็มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าก่อนมันจะตกลงไปมันเห็นผู้หญิงอ่นๆลอยคออยู่ข้างเรือตอนนั้นพอกลับไปถึงท่าเรือแล้วแต่ละคนก็แยกย้ายขอาลาออกแบบไม่ต้องบอกกล่าวเหลือลูกน้องไทยอีกคนหนึ่งที่ยังอยู่กับผมแต่พอผมกลับไปบ้านก็พบว่าช่วงเวลาที่ผมออกเรือไปแค่ไม่กี่วัน ลูกสาวคนเล็กของผมเธอผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูเหมือนกับโดนผีมาสูบไปจนหมดหลังจากที่กลับมาเจอลูกแขนขาลีบเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกผมก็พาไปโรงพยาบาลแต่หมอก็บอกว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับคนที่เป็นเจ้าหญิงนิทราเพราะสมองฟอผมก็พยายามอธิบายว่าเมื่อหาถึงหกวันที่แล้ว ลูกของผมยังไม่แย่ขนาดนี้แต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครเชื่อผมเลยต้องจำใจกลับมาดูแลลูกเหมือนเดิมตอนนั้นท้อจริงๆทุกอย่างทมเข้าใสขนาดนี้ออกเรือก็ไม่ได้เพราะลูกน้องเรือก็ออกกันไปหมดเหมือนอุปทานหมู่พอคนแรกออกก็ออกตามกันไป ผมเลยจอดเรือทิ้งไว้รอลูกน้องทีมใหม่ระหว่างนั้นผมก็ไปทำงานรับจ้างอยู่ในอูต่ต่อเรือไปพลางๆทำอยู่ได้สองสัปดาห์ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับช่างคนหนึ่งช่างคนนี้เขาขึ้นไปทาสีบนห้องบังคับเรือซึ่งสูงประมาณ 4-5 เมตรเห็นจะได้ช่วงนั้นเราก็ทำงานกันจนค่ำ เวลาประมาณสามทุ่มส่วนผมกำลังขนไม้อยู่ด้านล่างอยู่ดีๆช่างทิธาสีข้างบนก็ตกลงมากระแทกกับพื้นซึ่งบริเวณนั้นก็มีพวกถังสีอยู่ด้วยจึงทำให้เกิดเสียงดังทุกคนเร็วรีบวิ่งไปดูก็เห็นช่างขาหักจนเห็นกระดูกแทงออกมาอย่างชัดเจนทุกคนตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูก ช่างก็ร้องโวยวายพอตั้งสติดได้ก็รีบเข้าไปยกเพื่อพาไปโรงพยาบาลแต่ก็เคลื่อนตัวไม่ได้เลยเพราะช่างเจ็บร้องจนเสียงหลงจึงรีบไปเรียกรถพยาบาลมาแทนระหว่างที่รอนั้นผมก็อยู่ด้านนอกไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์มาเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับช่างคือ นางร้านที่อยู่บริเวณนั้นอยู่ดีๆก็หักลงมาทับช่างอีกทีผมเลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีหวังเพราะเหมือนช่างจะเสียชีวิตไปแล้วผมเลยเงยหน้าขึ้นไปดูว่าจะมีอะไรตกลงมาอีกไหมผมก็เห็นเงาคนตะคุ่มตะคุ่มอยู่บนนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นอีกหลายคนก็เห็นเหมือนกับผม หลังจากเหตุการณ์วันนั้นเราก็ได้มานั่งคุยซึ่งแต่ละคนก็มีความเชื่อแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติมีอยู่คนหนึ่งพูดขึ้นว่าข้างบนนั้นสิ่งที่มันเห็นก็คือผีพรายผมได้ยินคำนี้ทีไรก็ถึงกับสะดุ้งทุกทีวันนั้น คุยกันไปคุยกันมาผมก็ได้ลูกเรือมาช่วยอีกสาสี่คนซึ่งก็พอที่จะออกเรือกันได้แต่ก่อนหน้านั้นผมก็ได้ไปหาพ่อปู่ฤาษีให้มาช่วยปัดเป่าลูกสาวแล้วทำพิธีอะไรของแกเพื่อคุ้มครองเอาไว้พ่อปู่แกบอกว่าลูกสาวดวงอ่อนตั้งแต่เกิดแล้วสิ่งไม่ดีทั้งหลายมันก็เข้ามาง่าย แกก็บอกกับผมว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกสาวห่วงแต่ตัวเองเถอะผมได้ยินก็ไม่ได้เอะใจอะไรหลังจากนั้นไม่กี่วันผมก็กลับมาออกเรือช่วงไม่กี่วันแรกฝนก็ตกบ้างมีพายุเล็กน้อยแต่วันที่สเรือของผมบรรทุกปลามาเยอะพอสมควรทําให้เรือช้าลงบังคับยากขึ้น จึงพยายามไปเรื่อยๆแบบไม่เร่งเข้าฟังจนมาถึงคืนนี้ที่ผมก็จอดเรือพักอยู่ฝนก็ตกตัวผมอยู่ในลักษณะกึ่งหลับกึ่งตื่นก็ฝันเห็นลูกสาวที่สุขภาพแข็งแรงกลับมาวิ่งเล่นมีชีวิตชีวาเหมือนเด็กทั่วๆไปจนลูกน้องของผมมาปลุกให้ตื่นเพราะอยู่ดีๆก็มีพายุแรงมาก มากับคลื่นที่ใหญ่จนเห็นแล้วขนลุกผมพยายามสู้กับคลื่นและพายุได้ไม่นานเรือของผมก็ล่มลงกลางอ่าวไทยและออกข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ต้องขอเท้าความไปนิดหนึ่งก่อนที่เรือของผมจะล่มนะครับตอนที่ผมตื่นขึ้นมาเพราะลูกน้องมาปลุกนั้นคนอื่นๆก็กำลังวิ่นน้ำอยู่ในห้องใต้ท้องเรือ มันพยายามวิทย์อยู่นานมากยังไงน้ำก็ไม่น้อยลงเลยมีลูกน้องคนหนึ่งสังเกตเห็นรอยรั่วเหมือนมีอะไรมากระแทกจากข้างนอกซึ่งตอนแรกก็คิดกันไปว่าคลื่นซัดน้ำเข้ามาจากทางด้านบนเลยคุยกันว่าต้องมีคนหนึ่งดำไปดูว่าเสียหายมากแค่ไหนส่วนคนที่เหลือจะพยายามผนึกรอยรั่วเอาไว้ ตอนนั้นแต่ละคนก็ค่อนข้างเกี่ยงกันเพราะพายุข้างนอกแรงมากๆอาจถูกคลื่นกลื่นหายไปเลยก็ได้ลูกน้องคนไทยที่เคยออกเรือ ก, กับผมเมื่อคราวที่แล้วก็อาสาโดดลงไปดูเลยเอาเชือกมามัดเอวมันไว้เพื่อความปลอดภัยแต่พอลงไปได้ประมาณสองสานาทีมันก็ไม่กลับขึ้นมาผมเลยดึงเชือกกลับมาดู ก็พบว่าเขาหายไปแล้วและเชือกก็เหมือนถูกแกะออกไปเองทงั้งๆที่ผูกเป็นเงื่อนกันไว้อย่างดีสุดท้ายผมเลยพยายามประคองเรือไปให้ใกล้ฝั่งมากที่สุดเพราะอย่างไรก็สู้พายุไม่ไหวแน่ๆ แ, แล้วกะว่าจะสละเรือทิ้งพอตอนน้าเข้ามาในเรือมากๆจนเรือใกล้จะล่มแล้วแต่ละคน กคว้าแกลอนน้ำมันเครื่องกันคนละสองสามถังแล้วโดดลงทะเลในช่วงเวลาที่ลอยคออยู่กลางพายุไม่รู้ว่าช่วงไหนก็มีลูกน้องอีกคนหนึ่งที่ถูกคลื่นหายไปกับคลื่นแต่สุดท้ายผมกับลูกน้องอีกสองคนรอดมาได้หลังจากที่ลอยคออยู่กลางทะเลจนเกือบเที่ยงซึ่งสังเกตได้จากพระอาทิตย์ที่อยู่ตรงหัวพอดี ก็มีเรือประมงลําอื่นมาเจอเข้าเราเลยรอดมาได้เขาพาพวกผมไปส่งเข้าฝั่งแต่ตอนนั้นผมอยู่จังหวัดที่ไกลจากบ้านมากๆเงินก็ไม่มีสักบาทสมัยนั้นก็ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือที่ซื้อง่ายแบบสมัยนี้ตอนนั้นรู้สึกจริงๆว่าไม่เหลืออะไรแล้วมีแค่ตัวเปล่าเลยเดินเตร็ดเตร่หางานทำ เพื่อหาเงินกลับบ้านเลยไปเจอร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งผมเลยไปขอเขาล้างจานแต่เขาไม่มีที่อยู่ให้ก็เลยอาศัยนอนใต้ต้นไม้แถวๆนั้นไปวันๆลืมเล่าไปว่าลูกน้องคนอื่นๆที่รอดมาได้ก็ต่างแยกย้ายกันไปตั้งแต่ขึ้นฟังเพราะต่างคนก็ต่างมาจากคนละจังหวัดอยู่แล้วส่วนผม ต้องลำบากตรากตรำ ม, มากเพราะเขาให้ค่าแรงผมวันละ16บาทจะหางานอื่นทำเรียวแรงก็แทบจะไม่มีเหลือสภาพจิตใจตอนนั้นก็ค่อนข้างแย่จนคืนหนึ่งที่ผมนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงคนเดินเหยียบกิ่งไม้อยู่แถวนั้นปกติบริเวณนั้นจะเป็นที่เงียบๆไม่ค่อยมีใครเลยลุกขึ้นมาดู ก็เห็นผู้หญิงเดินอยู่ไกลๆใต้ต้นมะพร้าวคิดในใจอยู่แล้วว่าอาจจะเป็นผีก็ได้เพราะผมเชื่อเรื่องพวกนี้แบบฝังใจก็เลยตัดสินใจไม่ไปยุ่งกลับมานอนเหมือนเดิมสักพักก็ได้ยินเสียงเดินไปเดินมาใกล้ๆอีกผมรำคาญใจแต่ก็ยังไม่ได้ลืมตาสักพักกลิ่นก็มา เป็นกลิ่นคาวเหมือนกลิ่นปลาไก่ก็คือเศษปลาที่ตายกองรวมๆกันเพื่อนาไปทำเป็นอาหารไก่นั่นแหละครับซึ่งมันจะเหม็นมากๆผมเลยลืมตาขึ้นมาก็เห็นผู้หญิงนั่งยองๆแล้วมองมาที่ผมผมของเธอยาวดำรุงรังจนไม่เห็นใบหน้าแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสักชิ้นผมเห็นแล้วก็รีบหยีตาหนี เพราะสัญชาตยานแต่กลิ่นก็ยังอยู่จนรู้สึกเหมือนเขามาสัมผัสที่ขาผมแล้วสักพักก็หายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนกำลังจมน้ำอยู่ผมเลดตั้งสติอยู่สักพักแล้วลุกขึ้นวิ่งหนีไปเลยตอนนั้นวิ่งแบบไม่คิดชีวิตพอหันกลับมามองก็ไม่เจออะไรแล้วพอเช้ามาผมก็หิวมากๆต้องไปคุยหาของกินในทังขยะ คุยไปทางน้ำตาเพราะคิดถึงลูกคิดถึงเมียชีวิตไม่เคยตกต่ำขนาดนี้มาก่อนตอนหนีออกจากบ้านมาตอนนั้นก็ยังพอมีเงินติดตัวมาบ้างบวกกับอยู่ในเมืองมีงานมีโอกาสที่จะสร้างตัวผมก็เดินไปเรื่อยๆจนผ่านร้านขายของชำแห่งหนึ่งเลยเห็นหนังสือพิมพ์ ที่ลงข่าวเรือที่อับปางในอ่าวไทยเลยพยายามอธิบายกับพ่อค้าร้านขายของชาว่าเรือในข่าวเนี่ยเป็นของผมคุยไปคุยมาเขาก็เชื่อเลยพาผมไปหาเพื่อนของเขาเขาอาจจะให้ผมติดรถเข้าไปในเมืองแล้วเขาก็ให้ข้าวให้น้ำผมมาต่อรถไปที่จังหวัดบ้านเกิดสุดท้าย ผมก็กลับมาถึงบ้านจนได้เมียผมรู้ข่าวเรือล่มแล้วคิดว่าผมจะไม่รอดเพราะหาศพไม่เจอก็ร้องไห้ดีใจผมเลยรีบเข้าไปดูลูกก่อนเลยก็พบว่าลูกสาวอาการดีขึ้นมากตัวไม่รีบเหมือนคราวที่แล้วที่ผมเจอผมกลับมาเจอลูกสาวอาการดีขึ้นมากแต่ก็ยังนอนเป็นเจ้าหญิงนิทรา ไม่รู้สึกตัวเหมือนเดิมแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นหน้าลูกในตอนนั้นได้กลับมาอยู่ในบ้านพร้อมหน้าพร้อมตาก็ดีใจมากแล้วตั้งแต่นั้นผมกับเมียก็ค่อยสลับกันดูแลลูกอยู่ไม่หา่างเมียผมรับผ้ามาซักช่วยหาเงินเข้าบ้านส่วนผมหลังจากที่เสียเรือไปแล้วตอนนั้นจิตใจค่อนข้างแย่ เพราะมันท้อไปหมดเลยต้องหาที่พึ่งทางใจก็จะมีกลุ่มป้าๆเพื่อนละแวกข้างเคียงชวนเข้าวัดไปทําบุญบ่อยๆผมก็จะตามเขาไปด้วยตอนไปวัดก็มีมีแบบว่าไปหาพระแล้วพระท่านทักว่ามีผีตามหรือต้องสะดอเพราะอะไรสักอย่างนั่นหรอครับเราไปทําเพราะอยากจะทําด้วยใจที่อยากสร้างบุญกุศลเพียงแค่นั้น ไม่เคยมีเรื่องราวแปลกประหลาดหรือเห็นอะไรตอนอยู่ที่วัดเลยตอนนั้นผมรับจ้างจิปาทะไปเรื่อยไม่ได้มีกิจการเหมือนแต่ก่อนแต่ก็พออยู่กันได้จะมีก็แต่สมบัติชิ้นสุดท้ายคือที่ดินที่ที่ผมใช้ปลูกบ้านอยู่เนี่ยแหละประมาณเจ็ดไรซึ่งช่วงนั้นมีเทศบาลเข้ามาคุยว่า อยากจะจัดงานประจําปีของชุมชนแถวนั้นในพื้นที่บ้านผมซึ่งมันเป็นที่โล่งกว้า ง, างติดกับแม่น้ำตัวบ้านผมนั้นเป็นบ้านไม้หนึ่งชั้นกินพื้นที่ไม่ถึงไรผมเลยตอบตกลงไปเพราะเขาก็ให้ค่าเช่าด้วยถือว่าอยู่อยู่ก็ได้เงินพอถึงวันงานปีใหม่ก็มีคนมากมายแห่กันมาเที่ยว มีคอนเสิร์ตวงลูกทุ่งมาเล่นมีชิงช้าม้าหมุนสารพัดผมเลยถือโอกาสเดินเที่ยวในงานตามสบายใจเพราะบ้านอยู่ใกล้ๆไม่ต้องเป็นห่วงลูกมากเมียก็คอยดูให้อยู่ช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มเสียงเพลงก็ดังมีผู้คนมาเที่ยวงานมากมายผมที่กำลังยืนดูดนตรีอยู่กับเพื่อนอีกสองคน เราก็เดินคุยกันไปเรื่อยๆจนไปหยุดที่ท่าน้ําก็มีเพื่อนคนหนึ่งกําลังยืนฉี่ลงไปในแม่น้ําอยู่มันก็บอกว่ามันเห็นใครยืนอยู่ตรงเสากระโดงเรือซึ่งตอนนั้นไม่มีใครอยู่บนเรือทุกคนออกไปเที่ยวงานกันหมดแล้วเสากระโดงนั้นมันก็ไม่ได้ยืนกันได้แต่ผมกับเพื่อนอีกคนเห็นไม่ทันตอนนั้น ก็รู้สึกกลัวอยู่ในใจแต่ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรมากจนกลับไปที่เวทีคอนเสิร์ตมันก็ชี้ให้ผมดูข้างบนเวทีตรงมุมเวทีจะมีฉากหลังที่เป็นรูอยู่เป็นรูที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปมันก็ให้ผมและเพื่อนมองผ่านรูเข้าไปก็เห็นเป็นหัวคนคนหนึ่งไม่ขยับขยื่นแล้วจ้องมองมาทางเราซึ่งมันบอกว่า เหมือนกับคนคนเดียวกันที่มันเห็นบนเสากระโดงเรือเราทั้งสามคนมองเห็นแบบเดียวกันเป็นหน้าคนซีดๆน่าจะเป็นผู้หญิงเหมือนมีแต่หัวแล้วจ้องมาทางนี้ในขณะที่เสียงเพลงก็กำลังดังทุกคนกำลังสนุกไปกับงานสิ่งที่เราเห็นทั้งสามคนก็ยังอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหน เพื่อนผมพยายามชี้ให้คนแถวนั้นมองเขาก็ไม่เห็นอะไรไอ้เพื่อนคนนี้มันก็สงสัยเลยวิ่งไปดูหลังเวทีเห็นเขากำลังแต่งหน้าอะไรกันอยู่เลยพยายามคิดในแง่ดีว่าคงไม่ใช่หรอกมัง้งน่าจะเป็นหน้าของใครสักคนที่กำลังแต่งหน้าดูกระจกอยู่แล้วเราก็มองผ่านรูพอดี พวกผมลองกันแล้วทำยังไงก็ไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันเลยไม่ได้สนใจอะไรไปหาเหล้ามากินกันจนเมาได้ที่เราสามคนก็เดินไปฉี่กันที่ริมน้ำเหมือนเดิมโดยความที่เมาพอสมควรก็เดินไปแทบจะไม่ตรงไอเพื่อนคนที่เคยฉี่ไปครั้งแรกกับเผลอพลัดตกลงน้ำไปตอนนั้นก็ตกใจนิดหน่อย แต่ยังติดตลกกันอยู่เพื่อนอีกคนเลยโดดตามลงไปช่วยส่วนผมค่อนข้างมีปมเรื่องน้ำอยู่ในใจพอสมควรเลยยืนนิ่งๆรอดูสถานการณ์ซึ่งเพื่อนคนแรกที่มันตกน้ำมันชื่อว่ายอดแล้วอีกคนที่ลงไปช่วยชื่อว่าชัยจนไอชัยมันขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วตะโกนว่า ไอเชีย่ยกูหามันไม่เจอช่วยทีแล้วมันก็ดำลงไปต่อส่วนผมก็ยืนเงึกๆั ก, ก, กอยู่สักพักก็ยอมโดดตามลงไปช่วยโดยไฟสีสันหลากหลายที่ติดอยู่ด้านบนบริเวณนั้นทําให้ผมมองเห็นอะไรในน้ําค่อนข้างชัดสิ่งแรกที่เห็นก็คือไอยอดเหมือนกินน้ําเข้าไปเยอะแล้วนอนแน่นิ่งอยู่ตรงผืนน้ํา ไม่ไกลจากตรงนั้นก็เห็นไอ้ชัยพยายามตะเกียกตะกายสู้กับอะไรสักอย่างที่มองไม่เห็นอยู่ผมเลยพยายามว่ายน้ำเข้าไปช่วยไอ้ชัยก่อนแต่พยายามดึงมันเท่าไหร่ก็ดึงไม่ขึ้นเหมือนตัวมันหนักมากท า, ทางที่น้ําหนักก็ไม่น่าจะมีผลในน้ำผมเลยไม่รู้จะทายังไงลมก็กําลังจะหมดเลยเปลี่ยนไปช่วยไอ้ยอดแทน พ็พามันขึ้นมาได้แต่ก็รีบกลับลงไปช่วยไอ้ชัยต่อเลยตอนกลับลงไปนั้นเห็นไอ้ชัยมันแน่นิ่งไปแล้วแต่ก็ช่วยมันขึ้นมาสําเร็จเหมือนกันพอดีตอนนั้นก็มีคนผ่านมาแถวนั้นก็เลยช่วยกันปรถมพยาบาลจนรอดทั้งคู่แต่มีไอ้ชัยคนเดียวที่เพ้อถึงหัวที่มันเห็นผ่านรูตรงเวทีที่ผมจําได้ มันร้องแค่ว่าอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูแล้วก็สะบัดต่างๆนาๆแต่ในขณะนั้นเองผมยังไม่ทันหายเหนื่อยเมียก็วิ่งมาบอกว่าช่วยมาดูลูกทีผมก็เลยรีบวิ่งไปแบบไม่คิดชีวิตไปเจอลูกอยู่ในสภาพเหมือนสำลักน้ำมีน้ำออกมาจากปากเป็นจำนวนมากผสมกับเสมหะที่เป็นสีเหลืองๆเขียว ผมไม่รู้จะทำอย่างไรเลยอุ้มลูกรีบพาไปโรงพยาบาลระหว่างทางลูกกระสักน้ําออกมาตลอดเวลาแล้วเหมือนไม่มีท่าทีจะเบาลงเลยจนพอไปถึงหมอลูกก็เสียชีวิตแล้วคืนนั้นกลายเป็นคืนปีใหม่ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตหมอก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไม ถึงมีน้ำออกมามากมายขนาดนั้นบอกแค่ว่าลูกติดเชื้อไวรัสในสมองเหมือนคนจมน้ำทะเลแล้วก็บอกประมาณว่าทามาเร็วกว่านี้อาจจะช่วยทันคือโรงพยาบาลก็ไม่ได้อยู่ไกลบ้านผมใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำรู้สึกอยากจะซัดหมอให้ลงไปกองกับพื้นสักหมัดส่วนตอนนั้นเมียผมทำใจไม่ได้ ร้องไห้ทุกวันร้องตลอดเวลาจนไม่เหลือน้ำตาออกมาแล้วคือถ้าผมอ่อนแออีกคนชีวิตครอบครัวก็คงไม่เหลือเพราะยังมีลูกชายอีกคนที่เราต้องดูแลเลยพยายามหางานทำเยอะๆจะได้ไม่ฟุงซ้านส่วนเมียของผมพอเริ่มดีขึ้นเธอก็ออกไปทำงานเหมือนกันหลังจากนั้น เราพ่อแม่ลูกจะออกไปทำบุญด้วยกันทุกเชา้าอุทิศส่วนกุศลให้น้องไปสู่สุคติแม้เรื่องราวมันก็ผ่านมานานพอสมควรแล้วแต่เราก็ยังคงจำน้องได้เสมอส่วนพี่ชายตอนนี้ก็มีครอบครัวแล้วแต่ก็ยังทำบุญให้น้องทุกวันพอครบร้อยวันก็จะกลับมารวมตัวกันทุกครั้ง